FM 8เ5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี12มารสิงหามาบรรจบวาระครบวรรเฉลิมเผาพิลาชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏราชพร้อมใจอภิวาทบาทยุคน้นอมรำาลิ พระมหาการุณธรรมอันเลิศล้ำฉ่ำเย็นเป็นสุภผลพระทรงแผ่เมตตาทั่วสากลราชมงคล น, นบน้อมอัญชลีอัญเชิญคุณไตรรัตนพิพัฒผลบรรดาลดนหทัยเปรมเกษมสีทรงบรรลุจตุพรบวรทวีเสริมศักดิ์ศรีนารีนาฏของชาติไทย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 การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีได้ร่วมกับบริษัท TDS เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสร้างหุ่นยนต์เชื่อม6แกนขึ้นมานะคะซึ่งเป็นตัวแรกของประเทศไทยได้สําเร็จเป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันรายละเอียดต่างๆเราจะได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเดชฤทธิ์มณีธรรมท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุ่นยนต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีซึ่งรายละเอียด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 กลับเข้ามาสู่ Innovation for Life นะคะดิฉันขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรเดชิ์มณีธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิวศวกรรมเมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันะนะคะเกี่ยวกับ การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ร่วมกับบริษัท TDS เทคโนโลยีจําประเทศไทยจํากัด น, นะคะที่ได้มีการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์เชื่อมหกแกนขึ้นมาซึ่งเป็นตัวแรกของประเทศไทยก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามกับอาจารย์ก่อนนะคะว่าเโครงการความร่วมมือในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนที่จะมาถึงการทําความรู้จักกับหุ่นยนต์เชื่อมหกแกนกันค่ะครับโครงการนี้ก็ เรยมตั้งแต่ท่าน อ, าอาดีตท่านที่การนะครับท่านว่ารองศาสตราจารย์ด ร, รประเสริฐปิ่นปฐมลัฐนะฮะท่านก็ให้นโยบายการทํราหุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็พอดีเราเราได้อได้ดำเนินตามหลัยุทธศาสตร์ของท่านอาธิการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ได้ร่วมมือกับบริ ษ, ษัทอบริษัททีดีเอสประเทศไทยนะครับมาร่วมกันทําทำหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งก่อนที่เกิดตัวนี้เราก็ได้ทดลองดัดแปลงมาจนจนเราพบว่า เราต้องทํ า, าเป็นรักษะเป็นหุ่นยนต์ศารรสตร์การทีหนึ่งนะท่านอิการ ก, ก็อยากให้ทําตัวนี้เขาเลยได้ร่วมมือกับบริษัทเชเดียสเทคโนโลยีประเทศไทยครับอือค่ะอาจารย์ขาแล้วอะไรที่ทําให้ทางบริษัทได้ได้เหมือนกับว่าเลือกมาทํางานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอ่ะคะครับคือแต่เดิมเราก็เคยส่งนักศึกษาไปฝึกงานนะฮะหรือแม้แต่เป็นวิศววิศวพันธ์ใหม่ท่าน ไปรักษาไปรักษาแฮนด์ออนไปส่งส่งักษาไปร่วมร่วมฝึก ง, งานกับบริษัทนี้อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วก็มีความร่วมมือกับต่างชาติอยู่แล้วที่ ท, ที่ที่ทางบริษัทเขาเนี่ยก็ส่งต่างชาติมาเขาเรียกว่ามาฝึก ง, งานที่ oh. ที่ทางด้านรีเสิร์ชที่มหาลาัยเราที่คณ ะ, ะสาขาสุกรรมแมคการีนิกครับ mm hmm. และก็เลยทำความร่วมมือกันมาตลอดแล้วก็ผู้บริหารก็ทราบตลอดก็เลย ถึงถึงเวลาที่จะต้องทําหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างเงี้ยครับค่ะโอเคเป็นการทํางานร่วมกันทางมหาวิทยาลัยก็ส่งนักศึกษาไปฝึกงานใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรเจกต์เกิดขึ้นร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมกับทางบริษัทอยู่แล้วอาจารย์ขาแล้วชี้ว่าหุ่นยนต์หเชื่อม6กแกนมันคืออะไรอะคะคหุ่นยนต์เชื่อมหกแกนนี่เขาเรียกว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าการหมุนหมุนรอบตัวเองเนี่ยทั้ง6กแกน แล้วอ่ามันก็จะเริ่มแต่ว่าตั้งแต่แกนที่หนึ่งแกนที่2แกนที่สาแกนที่4ี่จนไปถึงแกนที่6แกนที่6ก็คืออ่าถ้าถ้าเขาเขาเรียกว่ากิปเปอร์ก็คือตัวจับนะฮะแต่ตอนี้ไอ้ตัวจับเนี่ยตัวจับขนตัวจับอ่าสิ่งของเนี่ยเราเอามาเป็นตัวทอสหัวหัวทอสเชื่อมนะครับเพื่อที่จะให้ซัพพอร์ตกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตรง6กแกนเนี่ยมันก็จะนับตรงคงรักษาแกนหมุนมันก็จะมีมอเตอร์อยู่หกจุดนะครับ เพราะฉะนั้เพื่อให้สะดวกสบายแล้วก็การทํางานที่ออที่จะเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนย้ายได้ไดทุกจุดนะครับตามอประมาณสองสามร้อหกสิบองศาอย่างเงี้ยครับอือาจารย์คะแสดงว่าหุ่นยนต์ทั่วไปมันไม่สามารถเคลื่อนได้สามอยหกสิบองศาหรอคะหรือว่ายังไงอะคะคือหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถทําตั้งแต่อสามแกนก็ได้สี่แกนก็ได้ห้าแกนก็ได้หกแกนก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วหุ่นยนต์สารกั๊กเนี่ย แต่ S <S ใช้หกแกนนะครับรเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์สามแกนอาจฟังก์ชันในการทํางานอาจจะน้อยลงอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเราขยับมาถึงหกแกนที่เป็นมาตรฐาดเนี่ยมันจะทํางานได้ทุกๆุกอย่างแทบแต่ทุกอย่างเลยในโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถซัพพอร์ตได้นะครับถ้าเราถอดแกนที่หกเนี่ยจากหัวเชื่อมออกเป็นตัวจับเขาเรียกว่ากิ๊บปเปอร์เนี่ยมันก็สามารถหยิบจับสิ่งของนะฮะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้มากครับ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นโรบอทที่หยิบจับเขาเรียกว่าโรบอทพิกแอนเพหรือโรบอทที่เป็นโรบอทเชื่อมหรือโรบอทที่เป็นเอ่อักษณะของเอ่อ d i ลดิ้งโรบอทอย่างเงี้ยครับอืมค่ะพอจะนึกภาพตา ม, มานะคะอาจารย์อย่างอย่างเห็นในในในทั่วๆไปในโรงงานที่เราเห็นแบบมันเป็นโรงงานผลิตกระป๋องอันนี้ภาพมันมาเลยว่ามันจะมีหุ่นยนต์ใช่ไหมคะจับแล้วก็เอาไ ป, ไปวางแล้วก็มาปิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตามตามการทางาน ค่ะคส่วนส่วนที่อันนั้นก็คือแบบอาจจะเป็นแค่แค่สองสามแกนอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้า6แกนที่อาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายเป็นรูปธรรมได้ไหมคะว่าถ้ามีวัตถุมันหนึ่งชิ้นเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้ได้อะค่ะในสมมติลายการผดลิตรถยนต์รถยนต์ที่เราใช้อยู่นะครับมันเป็นโครงสร้างเหล็กมาเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งตามลายผลิตมาเนี่ยเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ย6กแกนเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อม เชื่อมแนวโค้งได้นะฮะอ่อเชื่อมแนวตรงได้นะฮะเอ่อแล้วก็เอ่อที่เอ่อเชื่อมเชื่อมสองขั้วได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งการทํางานมันเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อ่ะทำให้เขาเรียกว่าคอนติเนียตทั้งหกแกนให้ได้นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ่าเวลารถยนต์วิ่งเข้ามาในลนยเนี่ยส่ะ <c oughs> ถ้าเราตั้งหินยนต์ไว้สี่ตัวเนี่ยนะครับมันสามารถเชื่อมได้หมดเลยนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บพอเชื่อมเสร็จปุ๊บลายรถยนต์เนี่ยที่เหลือเป็นโครงสร้างเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านสายพานอีก ก็จะเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์เซตต่อไปก็เรียกว่าหุ่นยนต์ประกอบหรือหุ่นยนต์แอนด์สัมก็จะเป็นหุ่นยนต์ลักษณะ6กแก่นี่แหละแต่อาจจะเป็นลักษณะเป็นปากปากตรงตรงคิปเปอร์จะเป็นการหยิบจับหรือหมุนไข่นอตอะไรพวกนี้ครับแล้วต่อไปก็พอจนเป็นลายสุดท้ายก็จะเป็นหุ่นยนต์แต่เขาเรียกว่าหุ่นยนต์พ่นสีนะฮะพินติ้งโรบอทเนีมันก็จะพ่นสีปลายซึ่งซึ่งพวกนี้เวลาใช้คนพ่นเนี่ยมันจะเกิดฝุ่นละอองแล้วก็เป็นสารเคมีเพราะฉนั้นต้องใช้หหุุ่่่นนนนนนนนนนยยยตต์์ใกกกาาารรรพพพเเเะฉั้ิดของี มันก็จะทําให้ลักษณะของสีเนี่ยเรียบเท่ากันตลอดแต่ถ้าคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าตัวเคมีอะไรต่างอยู่ชิ้น ท, ที่อยู่ในห้องเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นมันถ้าเรามองเห็นภาพการลดรถคันนึงวิ่งเข้ามาในลายการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเนี่ยมันคือหุ่นยนต์ลักษณเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยเราจะให้กขาทำอะไรอให้ก็ทําเชื่อกให้ก็ทําอ s เซมบี้ให้ก็ทําพ่นสีแล้วก็ไปเขียนโปรแกรมให้เขาเราก็ไปใส่ตัวกิ๊เปอร์ให้เขาว่าให้เขาเนี่ย เป็นเชื่อมนะให้เขาเป็นหยิบจับนะให้เขาเป็นถือกระป๋องสีนะอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้อ่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีคนเลยสิคะอาจารย์ครับผมโดยโทัโ่วไปแล้วอ่าในโรงงานอุตสาหกรรมะที่ที่ที่เป็นลักษณะออโตโมบิลเนี่ยก็จะลดคนลงไปได้เยอะเลยครับค่ะลด ล, ล, ลดคนงานลงไปได้เยอะแล้วคนแต่ว่าคนงานเนี่ยที่ผมไปถามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะเลี้ยงคนงานออกแต่ว่าเอาคนงานไปทำจุดตีไปทำเดต้าไปทำเอกสารอื่นใช่ที่ไม่ต้องเสี่ยงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับ ค่ะ อ, ะ อ, อแล้วก็มันจะเกิดการทํางานที่ถูกต้องแม่นยํานะฮะการทํำซ้ำๆหุ่นยนต์วิ่งไปวิ่งกลับพ้นสีวิ่งไปวิ่งกลับมันก็จะแบบไม่มีปัญหาเลยแล้มันก็ทํางานแล้วก็ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าหุ่นยนต์ลั่นได้ตลอดเนี่ยก็จะไม่เกิดการแบบ เหมือนเหมือนเหมือนเราใช้คนที่จะงงองแงหรือป่วยไขย้แรงตานี้หุ่นยนต์จะไม่มีเลยนะครับค่ะงานก็สามารถสําเร็จตามที่เรียกว่าออเดอร์ที่ที่สั่งไว้ค่ะใช่ครับอาจารย์คะแล้วในส่วนของการพัฒนาเนี่ยค่ะที่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์เชื่อม6แกนตัวแรกของประเทศไทยล่ะคะมันมันมีความยากอยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย์ทําไมที่อื่นๆื่นเขายังพัฒนาไม่ได้ซึ่ ง, ซ, งซึ่งส่วนมากเลยถ้าเราเห็นว่าอย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างหุ่นยนต์คูก้า ยนเอบบิ uh, B, หุ่นยนยัสกาวาเนี่ยหลายหลายที่นะฮะหลายที่ก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยมาแล้วก็เรียกว่ามาทําแอปพลิเคชันค่ะอย่างเขียนโปรแกรมเข้าไปให้มันหยิบจับอะไรแต่ใช้หุ่นยนต์ของแบรนด์ของบริษัทนั้นอ่าเขาก็จะนะฮะแค่ดูว่าเราทำเขาทาทวิจัยเป็นเป็นการใช้หุ่นยนตหยิบจับอะไรก็แล้วแต่เราไปเขียนโปรแกรมเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็คือใช้หุ่นยนต์ส่วนยกตัวอย่างว่าหุ่นยนต์อ่าคูก้าอย่างเงี้ยอแต่ในในตัวนั้นก็คือแบรนด์ของคูก้า แต่ตอนนี้คือเราทําเป็นตัวขึ้นมาใหม่เลยทั้งหมดเลยเขียนดออิ่งขึ้นมาใหม่การหลอมเหล็กขึ้นมาใหม่การประกอบแอนด์ซัมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือจะแตกต่างจากสิ่งที่นําเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่ยากซึ่งไม่ค่อยมีมีคนอยากทําเพราะว่าการทำโรบอทเนี่ยนักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมแมคคานิกเนี่ยสีปีเนี่ยเพราะนั้นเขจะมุ่งมั่นอยู่กับในการทําหุ่นยนต์ เราก็ต้องใช้ทฤษฎีเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ยากนะครับที่จ ะ, ะทําได้เป็นเป็นตัวสําเร็จมาดังนั้นอ่าก็อยากให้ให้นักศึกษาเขาได้ได้รู้ว่าเอ๊มันถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถมีโอกาสทําได้นะอะไรประมาณนี้ครัค่ะหัวใจของการพัฒนาหุ่นยนต์นี่คือคือระบบเหรอคะอาจารย์การเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะมันประกอบด้วย3ส่วนนะครับเพราะนั้นอ่าถ้าถ้าเรามองจากดิจิชันเนี่ยโรบอทเนี่ยก็คือประกอบด้วย m e c h a n i ค a l electrical, e l e c เล็กทรและ Computer. คอมพิวเตอร์ก็จะประกอบด้วย4ฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดว่าผมมาทอยออกมาตัวหนึ่งโรบอเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3ส่วนโรบอตตัวหนึ่งนะส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ส่วนที่2คือเรื่องคอนโทรลส่วนที่สามคือเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมัน ก, ก็ต้องมาว่ากันว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรเขียนภาษา C หรื อ, อเป็นถ้าเราใช้ PLC เป็นตัวคอนโทรลเราก็ใช้ฟังก์ชันบล็อก เราใช้สตั๊กเกอร์เทคเราใช้แรดเดอร์ใดแกมอย่างนี้ครับส่วนตัวคอนโทรลก็ต้องมาแคสติฟว่าเราจะให้ฟิวสยี่ห้ออะไรเราจะใช้หือบางที่เขาใช้ไมโครเลอร์ที่มาทําเป็นหุ่นยนต์สามแกนเล็กๆอะไรต่างๆนะครับตัวฮาร์ดแวร์ก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์โครงสร้างกิปเปอร์อะไรต่างๆเนี้ยครับเพราะฉนั้นก็จะแบ่งออกมาเป็นสามส่วนในตัวหุ่นยนต์ตัวหนึงแต่ถ้าดิฟฟิเนชันเนี่ยของโรบอทเนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ประกอบด้วยสี่ฟังก์ชันเนี่ยมันคือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมันคือหุ่นนยต์ครับออ ค่ะแล้วถ้าจะถามอะคะอาจารย์ว่าอะไรที่มันคือโน้ตเฮาสที่แบบเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นอะคะ่ะก็คือการเขียนซอฟต์แวร์เลยครับออื huh. การเขียนซอฟต์แวร์ซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าหุ่นยนต์เนี่ยที่นําเข้ามานะฮะนําเข้ามาเนี่ยเ้าเรียกว่าจะมีตัวกดอยู่ตัวแป้นกดอยู่เขาเรียกว่าทิศบเดนหรือแฮนด์เฮลตัวนั้นเราเราก็จะกดตามภาษาที่เขาเขียนมาถูกไหมครับกดแกนเให้มันเคลื่อนไปตามแกนเกี่องศาเกิดแกน y แกน แนะฮะแล้วก็มี x บ x ลบอะไรต่างให้มันวิ่งตามอ่าคอนติเนวัตได้นั่นคือเล่นจากโปรแกรมที่เขาเขียนไว้นะฮะเขาเรียกว่าเรานักศาก็จะถูกเรียนจากตัวที่เป็นเน้นของค่ายนั้น อ, อย่างเช่นค่ายของคูก้าก็จะเป็นซอฟต์แวร์แบบหนึง่งค่ายของหุ่นยนต์เอ็ดีก็เป็นอีกแบบหนึง่งค่ายของเอเซียของพวกอ่ะยักษ์ว่าก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าของเราเขียนเนี่ยคือเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเราจะทำเหมือนที่เป็นเน้นเหมือนเขานะฮะ แต่ว่าเราก็จะเอาคอมพิวเตอร์ของเราออกถูกไหมครับแล้วก็จะเหลือทิ่เป็นเลนแต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องการแก้โปรแกรมเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปแก้โปรแกรมได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าของเขาเข้ามาที่จากต่างประเทศเนี่ยเราแก้โปรแกรมเขาไม่ได้ไไดตรงตู้คอนโทรลเขาอ ะ, ะครับนะฮะเขาจะต่อสายที่เป็นเลนมาเป็นเป็นตัวกดเฉยเฉยเพราะฉะนั้นนักศึกษานียก็จะใช้ได้แค่ตัวกดอย่างเดียว เราก็ต้องสั่งสั่งซื้อนําเข้ามาอย่างเดียวถ้าเกิดว่าอะไรที่จะเสียหายแเถ้าเกิดเสียจะมีปัญหาอะไรก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวซอสโค้ดเนี่ยสำคัญนะครัคัญมากเพราะว่าเราจะต้องอาวายริ่งสายทั้งหมดเราเขียนโปรแกรมทั้งหมดเริ่มตั้งแต่แกนที่หนึ่งเนี่ยทำหมุนตามาฟังก์ชันอ่าโพซิชั่นที่เราต้องการ3ามร้อองศามันวิ่งตามจริงไหมสี่ร้อยงศาวิ่งจริงไหมต่อมาแกน2ต่างๆวิ่งจริงแล้วต่อไปเอาแกนหนึ่งแกน2มาคอมไบ่กันต่างนะ จนไปถึงแกนที่หกแล้วตอนนี้ก็มาใช้ทฤษฎีของ kinematics of robotics นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลนักษณะของการการนำเจอรี่เนี่ยจริงๆไปใช้กับเจ้าตัวโรบอติกนะฮะแล้วก็เขียนแบบออกมาแล้วก็ไปทำการซิมูลิงกับซอฟแวร์แม t แล็บซอฟแวร์แมทแล็บนี่เป็นซอฟแวร์อ่เป็นอเลทั่วไปที่ทุกคนที่ทางด้านแมทแล็บจะต้องใช้เพราะฉะนั้นก็เรามาซิมดูว่าไอ้เจ้ตัวโรบอตของเราที่มันมุกเว้นเนี่ยมันคอ m p a กับตัว Ma แลบเนี่ยซิมูลิงเนี่ย มันไปในทิศทางเดียวกันไหมความเชื่อถือเนี่ยมันมีมากขนาดไหนอ น, นั้นนะเพราะแล้วมันก็จะวิ่งไปสู่ในเรื่องของอาทฤษฎีเรื่องของตัวหุ่นยนต์เรื่องของตัวซินุลิงนะครับมีมีหลายส่วนมากครับค่ะโอ้หถ้าอาจารย์อธิบายนี่ค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าอย่างงี้ถ้าจะมาเ ป, เ ป, เปเรียบเทียบในส่วนของ<ม>หุ่นยนต์โรบอตที่เรานําเข้าในลักษณะหุ่นแกนแบบนี้กับที่อาจารย์พัฒนาขึ้นนะคะประโยชน์การใช้งานมันมันมีความแตกต่างกันไหมคะอาจารย์ ถ้าลักการทํางานจะคล้ายกันหมดครับห mm ุ hmm. ่นยนต์เพียงแต่ว่าเราเราสร้างขึ้นเองเทรานั้นเองส mm ิ hmm. ่งของเราคือเราเราต้องการสร้างขึ้นเองเพราะว่าทาง น, นี้นท่านนิการท่านอยากให้สร้างเป็นต่อไปเราอยากจะขยายเนี่ยซึ่งตอนนี้เราเปิดปีนาเอกเปิดปีนาโตรนะฮะวิศวกรรมเมคกาทรอนิกแล้วก็เปิดปีนาเอกมกกาวิศกรรมแมกกาทปีหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยควรจะซ่อมและสร้างหุ่นยนต์ได้เพราะฉะนั้นท่านนิการอยากจะให้ทําเป็นไซส์ SML หรือสเปนของมันนะเวิร์สเปซเนี่ยเวลาหุ่นยนต์มันยืดออกไปสุดเนี่ยความยาวของมันกว้างเท่าไหร่ต่างต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็สามารถจะทําเป็น ừ ừ, รถขนาดลงมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะเห็นเห็นภาพ ข, ของหุ่นยนต์เนี่ยที่สร้างขึ้นเองในประเทศ <ใน S 2> ไท<ข>ยนในมหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างึเองแล้วสอนนักศึกษาเองประมาณนี้ครับ ừ, เพราะไม่งั้นแล้วเราจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โน้ตหาต่ตัวนี้ ừ, เราจะได้ตัวที่เป็นหุ่นยนต์ที่สั่งซื้อมาอย่างเดียวเลยครับเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ค่ะและที่สําคัญก็คือราคาที่มัน ม, มันมันถูกกว่าใช่ไหมคะอาจารย์มันคือคือตอนนี้ถ้าถ้าเราเราเปรียบเทียบเนี่ยเราทำเราทําในลักษณะที่ถูกกว่าแต่ถ้าเราทําเมื่ออะไรที่เราทําเป็นแมสโปรดักต์อย่างที่เขานํามาขายเนี่ยราคามันจะลดลงเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเอ่อ ค, ความความราคาที่มันขึ้นลงอะไรขึ้นอยู่กับเอ่อเวิร์กสเปซเอ่อเอ่อเพย์โหลดของเอ่อหุนนนห่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นก็อ่อ ฟ, ฟีเจอร์ของแต่ละตัวไม่เท่ากันเพราะนั้นราคาในวันยา มีหลากหลายมากนะแต่นี้เราเปรียบเทียบกับตัวหุ่นยนต์ที่สเปนขนาดนี้นะครับอความใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นอตัวงเราถือว่าถูกกว่านะครับค่ะเนี่ยครับอาจารย์คะแล้วหุ่นยนต์เชื่อมหกแกนที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ค่ะได้นําไปทดลองใช้ในสถานประกอบการจริงหรือยังคะหรื อ, รอตอนนี้ใช้อยู่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้กําลังจะนําไปใช้ที่บริษัท TDS ครับซึ่งซึ่งเราอเหลื อ, อพัฒนาอีกหน่อยหนึ่งก็คืออตัว ตรงลักษณะแกนเนี่ยทาให้มันสวยสวยงามขึ้นติดเพติดะอะไรต่างแล้วก็จะยกไปใช้กับโรงงานนะครับรเพรตอนนี้เชื่อมได้หมดแล้วครับค่ ะ, คะก็ถือว่าผลงานชิ้นนี้ก็คอม p l e t แล้วนะคะอาจารย์แล้วมีในเรื่องอของอการจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋วอตอนนี้ทําทําแล้วครับเตรียมจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะครับกำลังทำทำเรื่องอยู่ครับค่ะทันทีที่มีเรียกว่ามีการเผยแพร่ผลงานหุ่นยนต์ของอาจารย์ได้เผยแพร่ออกไปมีการ มีฟีดแบคกลับมาอย่างไงบ้างไหมคะก็มีมีคนโทรมาถามเยอะขึ้นแล้วจะเข้าขอเข้ามาดูฮนะงแต่ว่าช่วงนี้อ่าทางหาอะไรเราก็กำลังอ่าซ้อมอ่ารีญาบัตอยู่ก็เลยจะยุ่งๆนิดหนึ่งในการเข้ามาก็เลยขอให้เป็นเดือนหน้ามากกว่าหลังเดือนสิงหาไปหลังจากเดือนสิงหาไป <Okay. S 2> ค่ะ ค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วมีความสนใจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆหรือว่าต้องการเข้ามาชมดูงานอย่างเงี้ยค่ะจะติดต่อที่ไหนอย่างไรคะเบอร์โทรศัพทผมเลยครับ0868821475นะครับอก็ยินดีครับค่ะอยากให้อาจารย์พูดอีกสักครั้งเนึ่งนะคะสรุปสำหรับวัตถุประสงค์แล้วก็ความคาดหมาย <c oughs> ในการที่อาจารย์และก็ทีมงานได้พัฒนาหุ่นยนต์เชื่อมหกแกนที่เป็นตัวแรกของรประเทศไทยนี้ขึ้นค่ะครับก็ตามตั้งแต่เรื่อมนโยบายของรัฐบาลนะที่จะอะโครงการของอเศรษฐกิจของไอ r อชีนะฮะที่จะสร้างหุ่นยนต์เองของประเทศไทยเนี่ยหรือความต้องการสูงของการใช้หุ่นยนต์ในประเทศไทยในยอุตสาหกรรมต่างๆนะก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยากจะทําวิจัยตัวนี้ให้มันสําเร็จนะฮะแล้วก็ ซึ่งซึ่งเหลือสิ่งในดนักศึกษาของเราเนี่ยระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมแมคคาทอนิกและหุ่นยนต์เนี่ยเราอยากให้นักศึกษาของเราเนี่ยสร้างขึ้นเองนะครับแล้วก็ถ่ายทอดนะฮะลงไปยังสถานประกอบการแล้วก็ทํางานร่วมร่วมกันในเชิงวิจัยให้มันขยายผลไปได้มากกว่านี้อีกอีกขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เราต้องการก็คือต้องการที่จะขยายผลแล้วก็มีการตอบสนองานโยบายของารัฐบาลของมหาวิทยาลัยด้วยครับ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่อาจารย์ได้มาพูดถึงแล้วก็ทำให้เราได้ความรู้กันเกี่ยวกับการร่วมมือกัน ร, ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท TDS เ, เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะในการสร้างหุ่นยนต์เชื่อมอยงกนขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ เป็นการผลิตและคิดค้นเองของนักวิชาการในประเทศไทยของเราเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรีนี่เองขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะรองศาสตราจารย์ดรเดชฤทธิ์มณีธรรมหัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์คณะครุกศาสตร์อาารุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เชื่อม6แกนซึ่งเป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในยุค ป, ปัจจุบันค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะและในวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วดิฉันคุณกนิททองเงาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร d ดร์ริดมณีธรรมก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Innovation for Life